โลกต้องการการศึกษาที่พัฒนาคนได้ถูกต้องเรามาให้คาตอบสนองความต้องการของโลกกันเถอะเมื่อพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าการนับถือสยศศาสตร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจดวลบันดาลภายนอกนั้นต่างจากการนับถือพระพุทธศาสนามากการนับถืออำนาจเร้นลับดุลบันดาลแบบนั้น ทำให้คนหวังพึ่งสิ่งภายนอกไม่เพียรพยายามทำการด้วยตอนเองมัวแต่คิดอ้อนวอนเอาอกเอาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือรอคอยฤทธิเดชของคนอื่นตัวเองไม่มีอะไรดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสติปัญญาหรือความสามารถหรือคุณธรรมความดีมีแต่จมลงถอยลงเลยไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาตนอย่างดีก็ได้แค่เข้าหลักที่ว่าศา ส, สนาช่วยเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนียวจิตใจ เอาพอปลอบใจอุ่นใจแต่พระพุทธศาสนาไม่ใช่มีไว้เพียงเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าเป็นเช่นนั้นพระพุทธศาสนาก็ไม่ต้องเกิดขึ้นเพราะอินเดียกรนพุทธการเขามีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยู่แล้วและมีมานานแล้วแต่ที่พระพุทธศาสนาต้องเกิดขึ้นก็เพราะปัญหาจากที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนี่แหละ ที่ว่าศาสนาเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้นจะต้องถามต่อไปว่ายึดเหนี่ยวแบบดึงลงหรือยึดเหนี่ยวแล้วดึงขึ้นศา ส, สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฤทธานุภาพอะไรอะไรนั้นมเมื่อเชื่อถือหวังพึ่งแล้วถ้าเป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ก็คือดึงลงทำให้หลงไหลหมกจมอยู่ในโลกโกรธหลงคนอินเดียก่อนพุทธกาล มัวแต่อ้อนวอนเส้นสวงบูชายันคิดแต่ขอแล้วรอคอยเทพเจ้าดลบันดาลคิดว่าจะให้เทวดาองค์ไหนช่วยแทนที่จะถามตัวเองว่าเราจะต้องทำอะไรและเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเราและพัฒนาการกระทำของเราอย่างไรเลยไม่ไปไหนพระพุทธเจ้ามาทรงสั่งสอนประกาศศาสนาชนิดเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวแบบดึงขึ้น คือเมื่อเขานับถือหรือเชื่อแล้วก็จะให้กำลังและแสงสว่างนำเขาขึ้นพ้นออกมาจากความมืดความหลงและปวงกิเลสให้เขาฝึกฝนพัฒ น, ฒนาตนมีคุณธรรมมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นช่วยกันเองในหมู่มนุษย์ได้ดีขึ้นจนมนุษย์พึ่งตนเองได้มีอิสรภาพและสร้างโลกที่เป็นอพพยาป ช, ชะแปลว่าไม่มีการเบียดเบียนคือร่มเย็นมีสันติสุข พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแบบอย่างแห่งมนุษย์ที่ได้พัฒนาคือได้ฝึกตนเต็มที่แล้วจนกระทั่งได้เป็นพุทธเราตั้งพระองค์ไว้เป็นต้นแบบสําหรับระลึกแล้วจะได้เตือนใจเราทำไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นองค์แรกในพระรัตนตรัยเพราะว่าเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็เตือนใจเราทันที ให้ระลึกถึงความเป็นมนุษย์ของเราที่เราก็มีเหมือนกับพระพุทธเจ้าหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนาข้อแรกคือตถาคตโพธิศัทธาแปลว่าศรัทธาเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของตถาคตและอีกที่หนึ่งว่าความเชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์ตรัสรู้กลายเป็นพุทธะก็คือเชื่อในศักยภาพของมนุษย์นั่นเอง เมื่อมนุษย์เชื่อในศักยภาพของตนเองแล้วระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตื่นตัวขึ้นมาและเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตนที่เป็นมนุษย์นั้นที่ฝึกฝนพัฒนาให้เป็นพุทธได้พร้อมกันนั้นก็เกิดความสำนึกประหนักในหน้าที่ของเราขึ้นมาว่าเราจะต้องสิกขาต้องฝึกฝนพัฒนาตน ยิ่งกว่า น, นั้นเรายังได้ปฏิปทาของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์มาเป็นกำลังใจในการฝึกตนนั้นและยังแถมได้วิธีปฏิบัติตลอดจนประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ปฏิบัติมาแล้วโดยเราไม่ต้องลองผิดลองถูกอีกเราได้เปรียบกว่าพระองค์คือเอาประโยชน์จากความรู้และวิธีการสาเร็จรูปของพระองค์มาใช้เลย ชาวพุทธต้องเป็นคนเข้มแข็งมีศรัทธาชนิดที่มั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่จะดีเลิศประเสริฐได้ด้วยการฝึกและวางผลจากการกระทําพยายามพัฒนาตัวให้พึ่งตนได้หลักการแห่งกรรมก็ดีศิกขาก็ดีความไม่ประมาทก็ดีล้วนทาให้เกิดความเข้มแข็งที่จะก้าวต่อไปทั้งนั้น และยังมีคติแห่งการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์มาหนุนอีกพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างของบุคคลที่มีความเข้มแข็งเรื่องราวต่างๆของพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่มากมายนั้นล้วนเป็นเรื่องของการบําเพ็ญเพียรและการพยายามแก้ปัญหาด้วยปัญญาท่านเล่าเรื่องเหล่านี้ไว้ก็เพื่อให้เป็นเครื่องหนุนกาลังใจของชาวพุทธ ชาวพุทธจะต้องมีความเข้มแข็งในการทำความดีสร้างสรร์และพัฒนาตัวต่อไปเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์ไม่ใช่คอยขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์หรือจากเทพเจ้าทั้งหลายชาวพุทธต้องมั่นใจในธรรมะคือในหลักการแห่งความจริงความถูกต้องดีงามและความรู้ในธรรมดาของธรรมชาติที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยเมื่อถูกทำ คือเมื่อถูกธรรมะแล้วก็ไม่หวั่นไหวแม้ต่อเท พ, พเจ้าหลักการของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ชัดเจนมากคือธรรมะสูงสุดแม้พระพุทธศาสนาจะไม่ปฏิเสธเทวดาแต่ถือว่าธรรมะต้องเหนือเทพตามปกติชาวพุทธจะอยู่ร่วมกับสรรพัพพสัตต์รวมทั้งเทพเทวาอยางเพื่อนร่วมโลก ด้วยเมตตามีไมตรีปรารถนาดีต่อกันไม่อ้อนวอนหวังผลประโยชน์จากกันต่างคนต่างพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปแต่ถ้ามีกรณีขัดแย้งกันเกิดปัญหาต่อกันต้องเอาธรรมะตัดสินถ้ามนุษย์ถูกทรรมคือธรรมะเทพต้องยอมในคำพีพุทธศาสนามีเรื่องราวเล่าไว้มากเพื่อสนับสนุนคตินี้ ให้ชาวพุทธเข้มแข็งยืนหยัดอยู่ในธรรมะแม้เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันปกครองกันเองก็ต้องให้ทุกคนถือธรรมะเป็นใหญ่ที่เรียกว่าธรรมมาทิปไตยเวลานี้น่ากลัวว่าคนในสังคมโน้มไปทางที่จะถือเงินอามิ t h หรือผลประโยชน์เป็นใหญ่กลายเป็นธนาทิปไตยถ้าเป็นอย่างนั้น ประชาธิปไตยจะอยู่ไม่ได้เพราะระบอบประชาธิปไตยของสังคมจะอยู่ได้ด้วยดีต่อเมื่อประชาชนมีคุณสมบัติแห่งธรรมมาธิปไตยการถือธรรมะเป็นใหญ่ยกธรรมะเป็นมาตรฐานสูงสุดเป็นหลักการใหญ่ของพระพุทธศาสนารวมแล้วเมื่อเรานับถือพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระรัตนตรยัยเราก็ได้ประโยชน์ทีเดียวถึงสประการ แล้วการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็โยงเราเข้าสู่ธรรมะว่าเธอจะฝึกฝนพัฒนาตนตามธรรมะต้องเข้าถึงตัวความจริงในธรรมชาติต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎแห่งธรรมชาติคือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นอันว่าเราจะต้องปฏิบัติฝึกฝนตามธรรมะนั้น ธรรมะก็มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตคือเป็นสรณะของเราชีวิตของเราก็กลายเป็นชีวิตแห่งการฝึกฝนพัฒนาคือเป็นชีวิตแห่งสิกขาด้วยการมีชีวิตแห่งสิกขาเราก็เข้าสู่มรรคาแห่งอริยะที่เราจะได้ทําตัวให้เป็นอย่างพระอริยะทั้งหลายซึ่งได้ฝึกฝนตามอย่างพระพุทธเจ้า จนได้เป็นพยานแห่งการตรัสรู้ของพระองค์โดยมาร่วมเป็นสงฆ์นี่ก็คือเรามีหน้าที่ต้องสร้างสังฆะคือสงฆ์นี้ขึ้นมาด้วยโดยการฝึกฝนพัฒนาตนให้เข้าไปร่วมในสังคมแห่งการศึกษาแล้วพัฒนายิ่งขึ้นไปสู่จุดหมายแห่งสันติสุขและอิสรภาพที่สมบูรณ์ในที่สุด เมื่อคนพัฒนาขึ้นมาด้วยการศึกษาแบบไตรสิกขาให้มีปัญญาของพุทธศาสตร์แล้วถึงขั้นนี้ความหลงลของสยสยศาสตร์ย่อมไม่มาแผ่วผ่านเขาพ้นเป็นอิสระแล้วอันนี้เป็นเรื่องของระบบของพระพุทธศาสนาถ้าเราเข้าใจตรหนักในหลักการนี้แล้วก็เอามาประยุกใช้กับสังคมโลกทั้งหมดเพราะโลกนี้เป็นโลกของมนุษย์ มนุษย์มีธรรมชาติพื้นฐานเป็นอย่างเดียวกันทั้งนั้นเราจะต้องพัฒนามนุษย์ในแนวทางนี้เพื่อแก้ปัญหาของมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากการติดตันของอารยธรรมที่หลงทางพัฒนาผิดพลาดไปจนทําให้หวันกลัวกันว่าจะนําโลกไปสู่ความพินาศวิบัติในไม่ช้าเท่าที่พูดมาเป็นข้อเสนอแนะในวันนี้ เริ่มจากเรื่องที่คิดว่าเป็นข่าวไม่ดีที่ไม่เป็นมงคลแต่เราอาศัยเรื่องที่ไม่เป็นมงคลนี้มาเป็นข้อปรารพมาพูดกันในการหาทางที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและทำการปรับปรุงต่างๆถ้าการแก้ไขปรับปรุงหรือแม้แต่อย่างน้อยความตื่นตัวเกิดมีขึ้นได้ก็คงจะเป็นประโยชน์คุ้มค่า สถานการณ์พระพุทธศาสนาทวนกระแสสยยาสต์สมเด็จพระพุทธโคศอาจารยุทธประยุทธ์โตสำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นการถอดความจากการแสดงปฐกถาในปีพุทธศักราช2538โดยการจัดทำเป็นรูปเล่มหนังสือนั้นได้มีการเรียบเรียงเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในหนังสือหลายเล่มของสมเด็จท่านก็จะเป็นลักษณะนี้ สำหรับท่านที่ต้องการอ่านแบบตนหนังสือดูได้จากใต้รายละเอียดทุกช่องทางที่ชำรมผลดีเผยแพร่นะครับสิ่งอ่านทุกเรื่องอาจมีการออกเสียงผิดเว้นวรรคผิดได้ดังนั้นจึงไม่ควรนำไปอ้างอิงใดๆทั้งสิน้นควรใช้ฟังเพื่อทบทวนหรือเพื่อเข้าใจในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพร่วมอีกดังนี้ครอบครัวจารุชาตครอบครัวสุดที่ชาตครอบครัวทรงพล ครอบครัวสกุลธนารักษ์ครอบครัวศิราภาสกุลรัตนอาภาอัตโตหวิไลวันกุลเพิ่มทวีรัตกำปนาธคำม่วงคณิตพึ่งกล่อมรวมกับอีกหลายท่านดูได้จากเครดิตท้ายเรื่องและในส่วนของราย ล, ละเอียดทุกช่องทางที่ชมรมผลดีเผยแพร่และขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับเผยแพร่ต่อได้ไม่ต้องขออนุญาตเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้น อ้ามตัดต่อดัดแปลงแก้ไขเด็ดขาดสาาัพพะทนางธรรมทนานชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแด่ทุกท่านด้วยเถิน